ยิ่งกิตติศัพท์ความดีงามของท่านเป็นที่เรื่องลือไปคนก็พากันมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหามากขึ้นมีผู้นิมนต์ท่านไปบรรยายธรรมตามสถาบันต่างๆอยู่เนืองๆจนแทบไม่เว้นแต่ละวันนับตั้งแต่ครูสลิดซื้อรถตู้มาถวายท่านก็ไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นโดยมีนายสมชายเป็นพลคับ นายสมชายเล่าว่าแต่ก่อนที่ยังไม่มีรถไว้ใช้เวลาจะไปไหนท่านต้องว่าจ้างนายอูให้ขับรถไปให้แต่นายอูก็ทำให้ท่านเต่าเสียงงานอยู่บ่อยๆเป็นต้นว่าคืนไหนฝันร้ายรุ่งเช้าก็จะมาบอกว่าไม่สามารถขับรถไปส่งท่านได้เพราะว่ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าท่านพระครูจะอ้อนวอนอย่างไรนายอูก็ไม่ยอมไปท่าเดียว ครั้นจะไปว่าจ้างคนอื่นก็ไม่ทันการเพราะกว่าจะไปจะมาก็เลยเวลาที่เขานิมนต์ไปแล้วแต่ถึงนายอูจะกลัวอย่างไรก็ไม่อาจหนีกฎแห่งกรรมไปได้เพราะในที่สุดนายอู ก, ก็ประสบอุบัติเหตุรถความเสียชีวิตเนื่องจากนม่รักษาสัตว์ จ, จ่ะเรื่องมีอยู่ว่าสมัยนุมน่มนายอูมีอาชีพล่องเรือค้าขายไปตามลำน้ำเจ้าพระยา ซื้อสินค้าจากกรุงเทพมาขายต่างจังหวัดแล้วก็นำสินค้าต่างจังหวัดไปขายที่กรุงเทพกิจการรุ่งเรืองดีอยู่มีเรือของตัวเองลําหนึ่งแล้วก็ทำเป็นเรือโดยสารด้วยคขืนหนึ่งขณะที่ล่องเรือกลับจากกรุงเทพคนขับรถเกิดหลับในเพราะเป็นเวลาดึกมากแล้วเรือจึงพุ่งไปชนแก่งกลางแม่น้าพลิกคว่ำลง คนขับกับผู้โดยสารประมาณหหรือว่าหกคนพากันจมน้ำตายหมดในอู ก, กำลังจะจมน้ำก็เกิดห่วงแม่กับเมียตอนนั้นเมียกำลังตั้งท้องอยู่คนแรกเขาจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ตนรอดชีวิตและจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรหนึ่งพันษาปรากฏว่าในอูรอดจากการจมน้ำตายอย่างปฏิหารและกลับมาถึงบ้านได้ไม่นาน ภรรยาก็คลอดลูกออกมาเป็นหญิงเขาก็หาเลี้ยงลูกเมียเลี้ยงแม่ยังไม่ยอมบวชก็อยู่ต่อมาจนมีลูกอีกหลายคนภายหลังได้ขายเรือมาซื้อรถเที่ยวรับจ้างส่งคนส่งของอยู่แถววัดมาระยะหลังๆในอูฝันร้ายอยู่บ่อยๆคือฝันเห็นย ม, มาบาลมาต่อว่าต่อขานที่ในอูเสียสัจจะ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 อยู่ต่อมาไม่นานในอู ก, ก็รถความคอหักตายจริงดังที่ฝันท่านพระครูรู้สึกเศร้าสลดใจ ท, ท, ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นกรรมที่เขาสร้างทําเองเรื่องพอจะแก้ไขได้เขาก็ไม่ยอมแก้ไขจึงต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอาเนตอานาจดเช่นนั้นหลวงพี่ครับหลวงพ่อให้มานิมนนายสมชายมาบอกพระบุยเยวในบ่ายวันหนึ่ง หลังจากท่านปฏิบัติกรรมฐานเสร็จนิมนต์ให้ไปที่กุฏิหลวงพ่อหรือพระหนุ่มเชื่อสายยวนถามอย่างดีใจเพราะจะได้ถือโอกาสเรียนถามข้อข้องใจสงสัยที่ติดค้างมาหลายวันเปล่ารักครับท่านให้มานิมนต์จะพาไปเจริญพุทธมนต์เย็นที่บ้านฝั่งโน้นลูกสาวเขาแต่งงานครับเขานิมนต์พระวัดเหล่าสามรูปวัดอื่นอีกหกรูป หลวงพ่อให้ผมมานิมนต์หลวงพี่กับพระมหาบุญบอกให้เอาย่ามกับตลปัดไปด้วยนายสมชายบอกกล่าวไปเดี๋ยวนี้เลยหรือถามอย่างยินดีสักพักก็ได้ครับหลวงพ่อจะออกห้าโมงนเพพงบ่ายสามโมงหลวงพี่ไปรอที่กุฏิท่านก่อนห้าโมงก็แล้วกันผมไปนะครับแล้วพระมหาบุญท่านทราบหรือยัง ทราบแล้วครับผมไปเรียนก่อนที่จะมาหาหลวงพี่เสรจทุระนายสมชายจึงเดินกลับไปยังกุฏิท่านพระครูพระบวเหวียวจัดแจงสงน้ำขัดสีชวีวันอย่างพิถีพิถันกว่าทุกวันสงน้ำเสร็จก็จัดการนุ่งห่มอย่างเรียบร้อยรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ออกงานเป็นครั้งแรกของการเป็นบรรพชิตท่านถือตลปัดและย่ามเดินไปที่กุฏิท่านพระครู นั่งอยู่คนเดียวสัก20สิบนาทีพระมหาบุญก็มาถึงผู้บวชที่หลังทำความเคารพภิกษุผู้เคยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงได้การกราบสามครั้งมานานแล้วรื้อบัวเฮียวพระมหาบุญทักขึ้นก่อนสักครู่ใหญ่ๆเห็นจะได้หลวงพี่มาก็ดีแล้วผมอยากจะเรียนถามอะไรสักหน่อยถามมากๆก็ได้ถ้าผมตอบได้จะตอบ รับรองว่าไม่ปิดบางอาพรางเลยแม้แต่น้อยเป็นไงปฏิบัติไปถึงไหนแล้วข่าวว่าเป็นคนโปรดหลวงพ่อใช่ไหมคนถามกลับเป็นฝ่ายถูกถามเสียก่อนก็ไม่เชิงหรอกครับท่านเมตตาผมมากกว่าเห็นเป็นคนเซ่อเซ่าท่านคงสงสารก็เลยเอาใจใส่มากหน่อยถ้าฉลาดหลักแหลมเหมือนหลวงพี่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 ทำไมจะไม่ได้ละ่ะไม่ต้องไปกังวลหรอกให้ทำตามที่หลวงพ่อท่านบอกก็แล้วกันเป็นต้นว่าเวลานั่งเขาจะเรียงตามอายุพรรษาสงสัยว่าคุณคงจะต้องนั่งแถวท้ายเพราะบวชทีหลังเพื่อนอย่าประมา ก, ก็แล้วกันบทสวดเจริญพุทธมนต์เย็นคุณท่องได้หมดแล้วไม่ใช่หรือครับผมท่องได้หมดแล้ว แต่ก็ไม่ทราบว่าเวลาสวดจริงๆจะจำผิดจาถูกบ้างหรือเปล่าจำถูกน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่จำผิดคงไม่ดีนะักประเดี๋ยวจะทำให้ขายหน้าพระวัดเราเอาอย่างนี้ถ้าตอนไหนไม่แน่ใจก็ให้ออกเสียงเบาๆไม่มีใครเขารู้หรอกเพราะตอนสวดเราก็เอาตละปัดบางหน้าไว้ผู้แก่พรรษากว่าแนะนา ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะประมาะมากน้อยแค่ไหนคงจะเขินมากเลยถ้าถ้าอะไรพระมหาบุญซักถ้าฝ่ายนั้นเขาไม่ยอมพูดต่อถ้าถ้ามีสาวๆมานั่งฟังนักครับพระมหาบุญจึงถแถลงว่าต้องมีแน่ๆอย่างน้อยก็เจ้าสาวคนหนึ่งละแล้วยังจะเพื่อนเจ้าสาวอีกคนหรือสองคน และถ้าเขารู้ว่ามีพระหนมหนมไปพวกสาวๆจะพากันแห่มาเชียวละสงสัยว่าคราวนี้ควรจะต้องศึกเสียละมั้งพระมหาบุญยาวสึกนะไม่กลัวหรอกครับกลัวจะประมาอย่างหลังเนี่ยจะแก้อย่างไรครับคุณก็กําหนดสิรู้สึกอย่างไรก็กําหนดไปอย่างนั้นปฏิบัติแล้วก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้ เอาเธอตั้งสติเอาไว้แล้วจะดีเองจำไว้ก็แล้วกันว่าคุณขืนแสดงอะไรเปิเปิๆออกมาคราวหน้าคราวหลังหลวงพ่อไม่พาคุณไปไหนต่อไหนด้วยอีกถ้าอย่างนั้นผมจะพยายามให้เต็มที่เลยครับจะได้ออกไปเปิดหูเปิดตาบ่อยๆแต่การไปไหนมาไหนบ่อยมันไม่ดีสำหรับการปฏิบัตินะบวเยเียวเพราะจิตมันจะต้องเที่ยวไปรับอารมณ์อื่น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 จากนั้นต้องวิ่งย้อนลงมาทางใต้อีกประมาณสองกิโลเมตรจึงถึงท่าเรือที่จะข้ามไปยังบ้านงานที่อยู่ฝั่งโน้นสมชายเป้ารถรออยู่ฝั่งนี้ไม่ต้องข้ามไปด้วยท่านพระครูสั่งสิบวัดแล้วท่านจึงเดินนำลงไปรอเรือจ้างซึ่งมีเพียงลําเดียวครู่หนึ่งหญิงแจวเรือจ้างก็แจวเรือเปล่า กลับมาหลังจากที่ส่งผู้โดยสารขึ้นฝั่งตรงข้ามแล้วนิ่มด ล, ลงพ่อจะ๊ะจะไปบ้านงานเหรือจ้างยิงแจวเรือเช้อเชิญพร้อมกับตั้งคำถามในสังคมชนบทบ้านไหนมีงานก็เป็นอันรู้ทั่วถึงกันหมดทั้งตำบลไปทีเดียวสามไวไม่จ๊ะหนูหรือว่าจะต้องทีละคน พ่นพระครูถามคนแจวเรือเป็นหญิงสาวอายุไม่เกิน20สิบเกรงว่าจะเกินเรี่ยวแรงของหล่อนเพราะน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาปริ่มขอบตะลิงเนื่องจากยังไม่สิ้นเดือนส2องระยะทางข้ามฟากจึงดูกว้างไกลกว่าปกติพระบัวยเยวมีอันต้องกำหนดเขินหนอเมื่อศบตากับหล่อน่ายจะ่ะมิมนทั้งสามองค์เลยจะหญิงสาวตอบ นั่นภายอีกอันไม่ใช่หรือพระมหาบุญชี้ไปที่ไม้พายซึ่งวางอยู่หัวเรือเอาอย่างนี้เดี๋ยวอัตมาจะช่วยพายจะได้เบาแรงโยมหน่อยพูดแล้วท่านก็ลงเรือไปนั่งพูดแล้วท่านก็ลงไปนั่งที่หัวเรือจับไม้พายมาถือด้วยท่าทางธรรมัดธรแมงเมื่อภิกษุอีกสองรูปขึ้นมานั่งในเรือเรียบร้อยแล้ว หญิงสาวจึงออกเรือโดยที่พระมหาบุญช่วยแจวอยู่ด้านหัวส่วนหล่อนอยู่ท้ายท่านพระครูกับพระโบเฮียวอยู่ตรงกลางสองทุ่มเลิกหรือยังเจ้หนูอาตมาจะต้องกลับประมาณสองทุม่มท่านพระครูถามขึ้นจากเรือแล้วต้องเดินไปอีกหลายนาทีกว่าจะถึงบ้านงานมีจ้ะหนูจะแจวเรือจนถึงหกโมงต่อจากนั้นพ่อเด็กเขาก็จะมาเปลี่ยน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 เท่าที่หนูมีจิตศรัทธาก็ได้บุญแล้วอัตมาอนุโมทนาเท่าไรละจ๊ะท่านถามอีกคนละสองสลึงจะ้ะหลวงพ่อให้ชั้นบาทเดียวพอหญิงสาวลดให้ห0สิบสตางค์ท่านพระครูวางเงินไว้สองบาทแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อขอฝากซื้อขนมไปให้ลูกหนูอีกหนึ่งบาทขอบใจนะหนูนะ หญิงสาวยกมือไหว้พรางกล่าวขอบคุณแล้วจึงรีบพายเรือเปล่ากลับไปรับผู้โดยสารที่กำลังยืนรออยู่ฝั่งโน้นร้านลมโชยเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของตำบลตั้งอยู่ริมแม่น้ำติดกับท่าข้ามเรือขณะนั้นกำลังขายดิบขายดีมีลูกค้านั่งเต็มทุกโต๊ะโต๊ะที่ติดกับทางเดินมีแต่ผู้ชายล้วน กำลังตั้งวงสิบจุรากันอย่างครื้นเครงมีจานกับแกล้มแก้วและขวดเหล้าวางอยู่เต็มเมื่อเดินผ่านโต๊ะนั้นท่านพระครูกำหนดเห็นหนอแล้วจิงกระซิบกับพระโบเฮียวว่าเธอคอยดูนะโบเฮียวเดี๋ยวคนโต๊ะนี้จะตีกันถึงเลือดตกอย่างออกรอให้เมาซะก่อนขากลับเราทันได้เห็นแน่ หลวงพ่อรู้ได้อย่างไรครับพระบัวเหีียวถามตามความเคยชินใช่มากกว่าเพราะรู้คำตอบดียวแล้วรู้ก็แล้วกันไม่เชื่อเธอคอยดูว่าจะเป็นอย่างที่ชันพูดหรือเปล่าและภิกษุสามรูปก็เดินผ่านร้านนั้นไปเพื่อไปอยังบ้านงาน หลังจากการเจริญพระพุทธมนต์เย็นเสร็จสิ้นลงเจ้าอววาดวัดป่ามะม่วงจึงกล่าวลาเจ้าภาพแล้วพาภิกษุอีกสองรูปกลับวดัดส่วนพระอีกหกรูปมาจากทางวัดฝั่งนี้จึงไม่ต้องไปข้ามเรือขณะเดินกลับพระมหาบุญถามพระบวยเฮียวว่าไงคุณหายตื่นเต้นหรือยังจวนแล้วครับเหลืออีกนิดเดียวก็จะหาย ต้องขอขอบคุณหลวงพี่มากๆเลยผมพยายามนึกถึงคำแนะนำของหลวงพี่เกือบตลอดเวลาเพื่อนเจ้าสาวเขาก็สวยจนผมประมาฟังแล้วท่านพระครูอดรนทนไม่ได้จึงขัดขึ้นว่ารู้สึกว่าเธอจะชื่นชมแต่คนสวยๆเท่านั้นนะบัวเยี่ยวไม่รู้หรอกหรือว่าสตรีคือศัตรูพรหมจันทร์พระบุวเยี่ยวตอบล้อเลียนว่า รู้สิครับหลวงพ่ออาตมารู้หมดแต่ก็อดบอได้ทําพูดดีไปเธอและอย่ามาหาว่าฉันไม่เตือนก็นแล้วกันท่านพระครูนึกหมันไส้ดูท่าทางคุณคงอยากจะศึกใช่ไหมบัวเฮียวพระมหาบุญถามอยากครับผมอยากศึกออกไปแต่งงานเห็นเขาแต่งงานกนแล้วผมอยากจะแต่งงานบ้างพระบัวเฮียวสารภาพ แล้วคุณคิดว่าจะได้แต่งหรือเปล่าคิดว่าน่าจะได้หลวงพี่ไม่เห็นหรือพระวัดป่ามะม่วงตั้งหลายรูปที่เขาหล่อน้อยกว่าผมก็ยังสึกออกไปแต่งงานและทำไมผมจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ดีกรีของความหล่อลอกมันอยู่ที่กรรมของเราที่ไม่เคยทำกรรมกับใครไว้ก็ไม่ต้องมาชดใช้ คนที่เข้าแต่งงานกันก็เพื่อมาร่วมกันใช้กรรมสำหรับเธอเขาเรียกว่าไม่มีคู่กรรมเชื่อซิชาดนี้เธอไม่มีโอกาสได้แต่งงานหรอกท่านพระครูชี้แจงคำพูดของท่านจึงไปทําให้ใจของพระบัวเหี้ยวเหี่ยวแห้งหดหูโดยที่ท่านมิได้มีเจตนาเมื่อเดินมาถึงท่าน้ําก็ต้องรอเรือซึ่งเพิ่งจะบรรทุกผู้โดยสาร สองคนออกมาจากฝั่งโน้นคงต้องยืนรออีกหลายนาทีกว่าเขาจะพายเรือกลับมารับพระจันทร์ค่อนข้างลอยเด่นอยู่กลางฟ้าพวกผู้ชายที่นั่งกินเหล้าอยู่โต๊ะติดทางเดินไปยังไม่มีใครลุกไปไหนเสียงที่คุยชักจะดังมากขึ้นพระต่างก็กำลังได้ที่แล้วใครคนหนึ่งก็สบดขึ้นว่าม้าตัวไหนวะ สงสัยแม่มันคงไสเนา่าเหม็นฉิบหายเลยพูดด้วยความโกรธผสมกับความเมาพูดอย่างนั้นมันก็ไม่สวยสิว่าเรื่องขี้เรื่องตดมันอดกันได้เมื่อไหร่ละโว้ยหรือว่าแม่มึงไม่เคยตดชายที่นั่งติดกันพูดกรธโกรธท่านพระครูเจงกระซิบกับพระบัวเฮียวว่าคอยดูนะ เดี๋ยวได้ตีกันหลวงพ่อไปห้ามไว้ซส ก, ก่อนไม่ดีหรอกครับพระโวเฮียวออกความเห็นเพราะเกรงว่าจะถูกลุกหลงท่านพระครูตอบว่าพูดกับคนเมาจะไปรู้เรื่องอะไรดีไม่ดีจะเจ็บตัวอีกด้วยก็คนไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ว่าหน้าอินหน้าพรมก็ซัดได้ทั้งนั้นเสียงทะเลาะรุนแรงขึ้น มีการด่ายังหยาบคายในที่สุดก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายแล้วก็ถึงขั้นตะลุมบอลกันหลวงพ่อทำไงดีทำไงดีพระบบยเหวกระซิบเสียงสัน่นขาก็สั่นตามไปด้วยเฉยไว้ไม่ต้องกลัวมากับฉันรับรองว่าปลอดภัยพระบบยเหวจำเลืองไปที่โต๊ะนั้นเห็นคนหนึ่งคว้าขวดเหล้า ฟาดลงบนศีรษะอีกคนหนึ่งผู้ถูกฟาดล้มฟุบขาโต๊ะเลือดแดงฉานหลวงพ่อครับผมจะเป็นลมอยู่แล้วพระบัวเฮียวรู้สึกใจสัน่นขาสั่นพับๆเคยเห็นแต่เลือดวัวควายไม่เคยเห็นเลือดคนกำหนดสี่บัวเหียวพระมหาบุญแนะกำหนดไม่ไหวครับมันกลัวจนตั้งสติไม่ได้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 เห็นโทษของการขาดสติหรือยังนี่ถ้าคนพวกนั้นพากันมาเข้ากรรมฐานก็จะไม่มีเรื่องจะต้องตีกันหัวร้างข้างแตกอย่างนั้นนั่นสิครับถ้าเจ้าหมอนั่นกําหนดได้กลิ่นหนาเซก็คงไม่มีเรื่องนี่จะมีคนตายไม่ครับหลวงพ่อถามอย่างเป็นห่วงไม่รอกเดี๋ยวตํารวจเขาก็มาจัดการท่านพระครูตอบ ผมว่าสาเหตุของเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่การผายลมหรอกครับหลวงพ่อมันอยู่ที่เล่าตังหากคนพวกนั้นพอเล่าเข้าปากก็เห็นช้างตัวเท่าหมูพระมหาบุญว่าไม่ว่าคนพวกนั้นหรือว่าคนพวกไหนหรอกพอเมาขึ้นมาก็ต้องเป็นแบบนี้ทั้งนั้นไม่งั้นพระพุทธองค์จะสอนหรือสุราเมระยะมัชชะประมาทฐานนา สุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทศีลข้อนี้สาคัญที่สุดเพราะถล่ละเมิดข้อนี้เสียข้อเดียวก็สามารถละเมิดข้ออื่นๆได้ทั้งหมดฉันตึงอยากให้คุณทุกคนจเจริญสติปัฏฐานสี่จะได้ไม่ขาดสติแต่บางคนเขาก็ชอบที่จะอยู่อย่างไม่มีสตินะครับหลวงพ่อเพราะถึงเขาจะรู้ว่าสุราทําให้ขาดสติ เขาก็ยังเดิมทั้งๆ ท, ท, ที่รู้คนพวกนีน้หน่าสงสารนะท่านมหาสงสารทำไมครับหลวงพ่อผมว่าเราไม่ควรสงสารคนชั่วพระบัวเหี่ยวขัดขึ้นเธอนนาไม่รู้อะไรคนชั่วน่ะแหละหน่าสงสารเพราะเขาไม่รู้ว่านารกกําลังรอเขาอยู่ก็เลยประมาทมัวเมาในชีวิต คนทุกวันนี้มักจะตั้งอยู่ในความประมาทกันเสียเป็นส่วนใหญ่หน้าเสียดายที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้ใช้ความเป็นมนุษย์ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงขึ้นจากเรือภิกษุสามรูปจึงเดินไปที่รถซึ่งนายสมชายเตรียมเปิดประตูรอไว้แล้วเป็นไงรอนานไหมท่านพระครูถามก็หลับไปตื่นหนึ่งหลักครับแต่ไม่ไหวยุงชุมชะ ม, มัดอากาศหนาวๆอย่างเนี้ย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 ทรงอุปมาอุปไม่ว่ารอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายชนิดใดๆก็ตามย่อมลงรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดรอยเท้าช้างเรียกว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นโดยความใหญ่ชั้นใดอุศลธรรมทั้งหลายย่อมมีความไม่ประมาทเป็นมูลประชุมลงในความไม่ประมาทได้ทั้งหมดความไม่ประมาทเรียกได้ว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้นฉันนั้น แม่หลวงพ่อยังกลับเป็นตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่แน่พระบัวเหียวออกปากชมแต่แล้วกลับตั้งข้อสงสัยว่าแล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นพุทธพจน์จริงๆเพราะพระพุทธเจ้าก็ปรินิพานไปตั้งสองพันกว่าปีแล้วเป็นชาวพุทธทําไมเชื่อคําพีพระไตรปิฎกก็เอวังเท่านั้นเองจริงๆนะบัวเหียว ฉันไม่ค่อยเข้าใจเธอสักเท่าไรเรื่องที่น่าสงสยัยเธอก็ไม่สงสยัยแต่เรื่องที่ไม่น่าสงสยัยเธอกลับสงสยัยรู้สึกว่าเธอชอบทวนกระแสอยู่เรื่อยเชีนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพระธรรมคำสอนเป็นสิ่งท้าทายให้พิสูจน์ถ้าไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์้วยตัวเองแล้วเธอจะได้รู้ว่าพระธรรมคำสอนเป็นสัจธรรมโดยแท้ ท่านพระครูถือโอกาสเทศนอกธรรมาผมเชื่อแล้วครับเชื่อโดยไม่ต้องพิสูจน์เพราะรู้ว่าหลวงพ่อพิสูจน์มาแล้วนี่ครับคนถูกเทศตอบเสียงอ่อยในสมชายขับรถออกจากตัวจังหวัดแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายเอเชียประมาณส0สบนาทีก็มาจอดที่หน้ากุฏิท่านพระครูพระบุญเยลืยวถือโอกาสถามเจ้าของกุฏิว่า พรุ่งนี้เช้าหลวงพ่อมีธุระไปไหนหรือเปล่าครับเออลืมบอกไปพรุ่งนี้เป็นวันแต่งเราต้องไปถึงบ้านงานเจ็ดโมงเจริญพระพุทธมนต์ชันเช้าแล้วก็กลับวัดประมาณสิบโมงก็จะมีโยมมาหาจะมาสร้างหอประชุมให้ต้องใช้เงินเป็นล้านชุณธันมหาประโยคหลังท่านพูดกับพระมหาบุญ เขามีหนังสือมาบอกหลวงพ่อหรือครับพระมหาบุญถามปราวลอกแล้วทำไมหลวงพ่อทราบล่ะครับพระบัวเหี่ยวถามทั้งที่ไม่น่าจะถามก็เห็นหนอเขาบอกเมื่อตอนเจ้ามืดนี่เองท่านพระครูตอบท่านรู้ว่าพระบัวเหียวมีข้อสงสัยอยากถามจึงพูดตัดบทว่าเอาเถอะ พรุ่งนี้ฉันจะให้เธอกับท่านมหาอยู่ฟังด้วยหลังจากนั้นเธอมีอะไรจะถามก็ถามได้พระโวเฮียวดีใจอย่างบอกไม่ถูกขณะที่พระมหาบนรู้สึกเฉยๆเพราะท่านสามารถปรับความยินดียินร้ายให้สมดุลกันได้แล้ว